พอระบายลมหายใจออกจนสุดครั้งต่อไปก็สังเกตว่าความเครียดยังเท่าเดิมหรือไม่ความไม่เที่ยงก็ปรากฏต่อใจแล้วเมื่อใดใจเห็นความไม่เที่ยงโดยปราศจากอาการครุ้นคิดต่อเมื่อนั้นจิตย่อมเป็นอิสระเบิกบานถึงกับยิ้มมุมปากและนึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานตัวดี ที่ช่วยส่งอารมณ์มาป้อนปัญญากระหยิงใจจนนึกอยากให้ความเครียดกลับมาใหม่ฉันรู้วิธีดูแล้วก็แค่ตั้งสติกาหนดเหมือนมันเป็นลมหายใจพอเข้ามาจนสุดแล้วก็ต้องผ่านกลับออกไปเป็นธรรมดานั่งสมาธิก่อนนอนคืนนั้นก็เป็นดังคาดมโนภาพเพื่อนร่วมงานปากร้ายผ่านเข้ามาในหัว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 ส่วนความฟุ้งแน่นในใจแม้ยังคาอยู่ก็ไม่มีแรงดิ้นอย่างครั้งแรกที่ความจําพุดขึ้นสลับไปสบายกับลมหายใจอันว่างเปล่าทั้งขาเข้าและขาออกแล้วกลับมานึกถึงคู่อริอีกผลดเปลี่ยนเวียนวนซ้ําแล้วซ้ําเล่าใจส่วนลึกยังมีความแค้นแค้นคันคันแต่ก็มีใจเดียวมุ่งมั่นรู้ให้ได้ว่า